สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเชา ว, วันนี้เราอยู่ในประเด็นที่10ความสมดุลระหว่างมือของมาทาและหัวใจของมารีพี่น้องครับเราอยู่ใน20กฎทองคำชีวิตที่สมานฉันท์และดีงามของท่านศาสนาจารย์ดอกเตอร์ฟิลิปเทงซึ่งแปลโดยศาสนาจารย์สุพิชย์เวจักโยธินนะครับ พี่น้องครับความกระตือรือร้นของมาธานั้นเป็นตัวอย่างของเราทั้งหลายในการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในบ้านเธอนั้นหุงข้าวต้มผักวุ่นวายอยู่กับการเตรียมตัวรับรองพระเยซูให้ดีที่สุดนั่นเกิดจากใจของเธอที่มีภาระภารกิจเหล่านี้ครับทําให้เธอก็ล่าเลยที่จะต้อนรับคําสอนด้านศัจธรรมที่โปร่งเตรียมมาให้ พระมาทายุ่งในการปฏิบัติมากลูกาบทที่10ข้อที่40นั้นมาทาก็เลยบ่นต่อว่าพระเยซูเจ้าว่าโปร่งทําไมไม่เรียกมารีน้องสาวมาช่วยองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูตอบเธอว่ามารีนั้นได้เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้อันนี้อยู่ในข้อที่42ครับพระเยซูนั้นไม่ได้ทรงตําหนิการปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้นของมาทา แต่ทรงชี้ให้เห็นว่าเธอพลาดโอกาสที่จะสงบใจเข้าหาพระองค์เธอสูญเสียความสงบด้านจิตใจไปและทําให้ทํางานนั้นทำไปก็บ่นไปแม้กระทั่งบ่นใส่องค์พระพุทธเจ้าคําว่าพระองค์ไม่สนพระไทยหรือเป็นการตัดเพ้อด้วยความน้อยใจหรือบน่นพี่น้องครับเวลาที่เราทํางานเหนื่อย และก็ไม่มีใครเห็นความสำคัญหรือใครก็เงียบๆไม่มีใครชมเชยไม่มีใครแอบปรีเชียก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าปกติและในเวลาเดียวกันครับก็มักจะบ่นด้วยการบ่นนั้นอาจจะเกิดกับสุภาพสตรีก็มากแต่ว่าผู้ชายสุภาพบุรุษก็บ่นเหมือนกันครับมือของมาทาซึ่งรับใช้พระเยซู ก, ก็เปรียบเสมือนกับมือของพวกเรา หลายและคนที่รับใช้ในขั้นสัจจ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นสัจจ์ต้องการคนเหล่านี้ครับในขณะเดียวกันครับพระเยซูก็ชื่นชมจิตใจของนางมารีหัวใจของนางมารีที่ปรารถนาจะอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูและก็ฟังสิ่งที่พระเยซูทรงสอนศัตธรรม ท, ที่พระองค์จะทรงมอบให้สิ่งที่มารีทำนั้นพระเยซูก็ชื่นชมนะครับ แต่พระเยซูก็ไม่ได้ตำหนิมาธาแต่พระกัมภีบอกว่ามาทานั้นยุ่งในการปฏิบัติมากอาจจะด้วยหัวใจความร้อนรนในการที่อยากจะให้สิ่งที่ดีๆให้กับพระวรากายทำให้กับพระกายของพระเยซูในการต้อนรับขับสู้ในการดูแลพระเยซูให้ดีที่สุดพี่น้องครับความโปรดปรานในเรื่องการรับใช้พระเยซูก็รับในขณะเดีวยวกันครับ ถ้าว่ามีมารีทั้งหมดเลยในโบสถ์ก็จจะไม่มีใครที่จะเป็นมาธาในการปฏิบัติพระเจ้าก็จะมีคนที่ฟังแต่คำสอนครับแต่ไม่รับใช้มันก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มันก็ไม่สมดุลเพราะฉะนั้นไม่ผิดครับที่เราจ ะ, ะต้องนมัสการฟังคำสอนต้องเรียนแล้ววีในขณะเดีวยวกันครับเราต้องมีความขยันขันแข็งในการรับใช้ รับใช้ด้วยการทํางานนะครับรับใช้ด้วยการหาอาชีพที่จะมีรายได้ในการดํารงชีวิตอยู่นั่นก็คือการรับใช้เหมือนกันพี่น้องครับอยาสักแต่ฟังคําสอนแต่ไม่ร่วมรับใช้ก็ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลครับมือของมาทาที่รับใช้ เป็นมือที่เราต้องการมากคริสตจักรซึ่งเป็นพระบริกายของพระเยซูนั้นก็ต้องการมากมีความจําเป็นครับพระองค์ทรงชื่นชมแต่ต้องประกอบด้วยจิตใจแบบมารีครับจึงจะสําเร็จตามน้ำมัไทยที่ดีเลิศของพระเจ้าและรับการโปรดปรานจากพระเจ้าครับพี่น้องครับเราต้องมีมือของมารธาอยู่ในตัวเราและในเวลาเดียวกันครับเราต้องมีหัวใจหรือจิตใจของมารีอยู่ใน ตัวของเราเช่นเดียวกันครับจึงจะมีความสมดุลพี่น้องครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากหลายครั้งทีเดียวเราเองนั้นก็ไม่ได้คิดถึงความสมดุลในเรื่องนี้เราเองก็มุ่งแต่จะทำตัวเหมือนมารีเหมือนกันนะครับความจริงแล้วการที่เป็นมารีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีมากทีเดียวเพราะพระเยซูชมว่าเขาเอาส่วนที่ดีนะครับดีที่สุดที่ไม่มีใครจะชิงเอาไปได้นั่นคือคาสอนที่เขา ได้ยินได้ฟังได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูในขณะเดียวกันครับพระเยซูก็จะมีชีวิตอยู่ในบ้านของอมารีมาธาได้ไม่สะดวกสบายหรอกครับถ้าไม่มีใครบริการพระองค์พระเยซูก็ต้องการการบริการรับการปฏิบัติต้องการกินอาหารต้องการที่จะมีคนดูแลเสื้อผ้ามีอะไรต่างให้พี่น้องครับนั่นคือความจริงที่ ความจำเป็นทางด้านร่างกายเช่นเดียวกันในขณะที่มารีนั้นหุงอาหารไม่เป็นหรืออาจจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่มาทานั้นเก่งเรื่องนี้เพียง mm hmm. ครับเช่นเดียวกันครับในบ้านหลังนี้จำเป็นที่จะต้องมีมาทาและมารีและจะยิ่งดีมากเลยครับถ้าอยู่ในคนคนเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะว่าจะมีความสมดุลเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนให้เราอธิษฐานนะครับใครที่เป็นมารีก็ขอให้ใส่มาทาลงไปบ้าง ใครที่เป็นมาทาแล้วก็ใส่มารีลงไปบ้างเพราะอะไรครับเพราะว่าในสุดแล้วเราจะรู้ว่าพระองค์ต้องประสงค์สิ่งใดเราจะทำอะไรแล้วพระองค์ทรงพอพัฒัยครับการที่เราฟังอย่างเดียวนั่นหมายความว่าเราได้สิ่งที่ดีสุดแล้วแต่สิ่งที่ดีที่ได้ไปนั้นจะต้องกลายเป็นมาทาที่จะคอยปนิบัติคนอื่นครับที่จะคอยสําแดงความรักซึ่งเป็นรูปให้เป็นรูปปัธรรมครับจากนํามันทําให้เป็นรูปปัธรรมให้ได้นั่นคือมารีจะกลายเป็นมาทาและมารานั้น ก็จะต้องมาจากมารีจริงๆนะครับการที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้นะครับเราต้องมีหัวใจของพระเยซูเสียก่อนเช่นเดียวกันครับการที่เราจะมีหัวใจของพระเยซูก็เกิดจากการที่เราได้รับการปฏิบัติจากคนอื่นเช่นเดียวกันแต่เมื่อเราได้รับการปฏิบัติจากคนอื่นเราก็จะเห็นความรักเกิดขึ้นจากชีวิตของคนอื่นแล้วก็อยากจะได้ความรักนั้นก็คือเราก็รับจากพระเยซูและเราก็สำแดงความรักออกมาเป็นการการะทํา เพราะฉะนั้นขอให้ชีวิตของเรานะครับมีมารีและมาทาจึงจะมีความสมดุลอาเมน